นะโมตัสสะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะสวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ ah ุทธัสสะโอกาสต่อไปนี้ จะได้ทำธรรมะอันเป็นคำสอนของสมเด็จตสมมาสัมพุทธเจ้ามากล่าวบรรยายเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านผู้ฟังแต่ความจริงการศึกษาธรรมะและการฟังธรรมะนั้น เราฟังกันมาซะจนมากมายแล้วเข้าใจว่าสมาคมนี้มีนักศึกษาธรรมะและนักรู้ธรรมะที่มีความละเอียดลึกซึ้งมากแต่การรู้ธรรมะหรือธรรมะที่เราศึกษารู้ตามตำรับตำรานั้น เป็นแต่เพียงเครื่องอุปกรณ์หรือเป็นแขนที่ที่เราจะถือเป็นหลักดำเนินการปฏิบัติในบัดนี้เราทั้งหลายก็ได้สมาทานเป็นกสีนคือสีนห้าอันเป็นหลักการ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 อันนี้เป็นหลักเป็นหลักการละกิเลสที่จะพึงข้าวล่วงด้วยทางกายและทางวาจากิเลสส่วนนี้เราตั้งใจตั้งเจตนางดเว้นโดยไม่ล่วงละเมิดสิกขาบท น, น, นั้นที่เราสมาถทานมาและปาณละกิเลสด้วยความตั้งใจนี้ บางทีอาจจะมีการขาดตกบกพร่องแต่เราก็ตั้งใจพระภาพเพียนพยายามที่จะละเครืออาศัยความภาพเพียนพยายามที่จะละบ่อยๆละให้มากๆเป็นการฝึกขัดนิดสัยของเราให้เคยชินต่อการละกิเล่ส่วนนี้เมื่อรับรับเข้า นิสัยที่เราฝึกขัดจนเคยชินนั้นมันจะกลายเป็นอุปนิสัยกลายเป็นนิสัยแล้วก็กลายเป็นอุปนิสัยเป็นความเคยชินเมื่อเป็นอุปนิสัยแล้วเจตนาที่จะละเว้นกิเลสส่วนนี้มันจะกลายเป็นสภาพความเป็นเองซึ่งจะเป็นคุณธรรมเกิดขึ้นประจำจิตของเรา เมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จะกลายเป็นผู้มีสติสัมปัญญะรู้สึกสำนึกกิจชอบชั่วดีจนกลายเป็นอุปนิสัยที่แท้จริงฝังแน่นอยู่ในจิตของเราดังนั้นหลักการละความชั่วประเพิ่ความดีในขั้นศีลธรรมซึ่งเป็นไปโดยความตั้งใจนั้น ก็หมายถึงละความทั่วตามกดของศีลห้าประการดังที่ท่านทั้งหลายได้สมาทานมาแล้วนั้นแต่สำหรับกิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่ฝังแน่นอยู่ในจิตใจของเรามาแต่นุมลานนั้นเราจะต้องอาศัยาการฝึกหัดอบรมในทางจิต ในเมื่อกล่าวถึงการฝึกผัดอบรมในทางจิตจะหนีไปจากกลับของการบำเพ็ญสมาธิหรือจเจริญภาวนาด้วยอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เพราะการบำเพ็ญสมาธิเท่านั้นจะเป็นพื้นฐานให้จิตของเรามีความมั่นคง ในการที่จะตั้งใจมั่นต่อการละการทั่วและประพฤติความดีวิธีการบําเพ็ญสมาธิก็มีหลายแบบหลายย่มแต่จะด้วยประการใดก็ตามสำคัญอยู่ที่ผู้ปฏิบัติจะต้องตั้งใจกำหนดรู้ลงที่จิตของตน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 วิริยะภละทาให้เราเกิดความภาคเพลินในการปฏิบัติสติภละความตั้งใจที่จะปฏิบัติสมาธิภละความมั่นคงในการที่จะปฏิบัติและปัญญาพละความรอบรู้ภายในดูงจิต ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่นับปฏิบัติจะพึงอบรมให้เกิดให้มีขึ้นดังนั้นการบำเพ็ญสมาธิโดยหลับวามเป็นจริงแล้วเรามุ่งที่จะให้จิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิมีอุปจาระสมาธิและอัปปนาสมาธิเป็นลำดับจนกระทั่งได้บรรลุฌาน เกิดทุกปฐมฌานทุกติยาาะฌานตติยะานและจะตุทฌานซึ่งเป็นพื้นฐานเบื้องต้นทําให้จิตได้สมถะเพราะสมถะอมตะฐานหรือสมถะจิตนั่นเป็นพื้นฐานให้เกิดสติปัญญาเพราะฉะนั้นการบําเพ็ญสมาธินี้จึงเป็นสิ่งจําเป็น ที่เราทุกคนจะต้องตั้งใจบำเพ็ญกันอย่างจริงจังถ้าหากว่านับปฏิบัติทั้งหลายมาตั้งใจที่จะบำเพ็ญสมาธิภาวนากันอย่างแท้จริงโดยตัดความลังเลสงสัยใดๆออกจากจิตใจให้หมดสิ้นไปแม้เราจะยึดเอาอารมณ์กรรมาฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง มาเป็นคู่ของใจแม้แต่บริกรรมภาวนาพุโทโธพุธโทโธหรือยุบหนอฟองหนอก็อตามแต่หรือจะเอาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมาเป็นเครื่องพิจารณาของจิตก็ได้ทางนั้นบริกรรมภาวนาก็ดีหรือการพิจารณาอะไรก็ดี จุดมุ่งหมายก็เพื่อมุ่งให้จิตมีสมาธิและเป็นการอบรมสติให้สตินั้นกลายเป็นมหาสติปัฏฐานเมื่อจิตได้กลายเป็นมหาสติปัฏฐานแล้วสติปรากอบกับจิตจะกลายเป็นตัวผู้รู้ผู้รู้ซึ่งในนามว่าพุทธะเคยขึ้นกับจิตของผู้ปฏิบัต นับจำเดิมแต่ น, นั้นจิตก็จะสามารถปฏิวัติตัวไปสู่โูมจิตภูมิถามได้ตามลำดับขั้นซึ่งท้งนี้สุดแท้แต่ความภาพเกียนพยายามของท่านผู้ใดดังนั้นการศึกษาธรรมะก็ดีการเรียนธรรมะก็ดีถ้าปราศ จ, จากการปฏิบัติอย่างจริงจังแล้ว ผลที่จะเพิงเกิดจากการปฏิบัตินั้นย่อมไม่มีดังนั้นสิ่งที่จำเป็นจริงๆก็คือการปฏิบัติจริงทำจริงอาศัยหลักที่ว่าภาวิตาอบรมให้มากๆทาโฮลีกตากระทำให้มากๆเช่นอย่างเราจะภาวนาพุโทโธพุธโทโธเป็นต้นก็ดี ถ้าท่านผู้ใดจะคิดหรือตัดสินใจให้แน่วแน่ลงไปว่าลองดูสิฉันจะภาวนาพุโทโธอย่างเดียวแล้วมันจะมีผลอะไรเกิดขึ้นหรือไม่แล้วก็ตั้งใจนั่งบริกรรมภาวนาพุโทโธหรือเราจะไม่นั่งก็าตามเดินภาวนาพุโทโธก็ได้ เยินภาวนาพุโทโธก็ได้นอนภาวนาพุโทโธก็ได้เยินเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดทำสติํำหนดจิตเล้กพุโทโธไวในใจเอาพุโทโธเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องละลึกของสติจนสามารถทำจิตให้จบจ้องอยู่กับคำว่าพุโทโธ แม้ว่าในขั้นต้นนี้จิตของเรายังจะไม่สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิตามแบบฉบับที่ท่านกล่าวไว้ก็ตามแต่ปัญหาสำคัญเมื่อจิตของเรามาอยู่กับพุอโธเป็นส่วนมากแล้วแล้วเราจะมีความรู้สึกกับอารมณ์อื่นๆนั้นอย่างไรเข้าใจว่าถ้าจิตมีเครื่องเด็กจิ ต, จตมีเครื่องอยู่ จิตของเราคงจะพลากจากอารมณ์ที่วุ่นวายต่างๆให้เข้ามาจดจ้องอยู่กับคำว่าพุทโธเมื่อเวลาประทบอารมณ์สิ่งใดเข้าแล้วโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจิตของเราอาจจะวิ่งเข้าไปหาพุทโธแล้วก็อาจจะมันเทาความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นกับจิตได้บ้าง อันนี้เป็นผลที่เราจะเพิ่งได้รับจากคําว่าการภาวนาพุทโ ธ, ธเพราะฉะนั้นการที่เราจะทําสมาธิภาวนาให้ได้รับผลจริงอางนั้นอยู่ที่การกระทําจริงและทําให้มากๆเป็นสําคัญการภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธนี้แม้ว่าบางท่านอาจจะกล่าวว่า การภาวนาพุทโธจิตเป็นได้แต่เพียงแค่ขั้นสมถกรรมฐานไม่ถึงขั้นวิปัสสนากรรมฐานก็ตามแต่ขอให้ท่านลองทำดูสิว่าเมื่อสามารถที่จะภาวนาพุทโธทำจิตให้สงบช่างมั่นลงเป็นสมาธิเมื่อจิตภาวนาพุทโธแล้วจิตสงบลงไปพอสว่างขึ้นมา คาว่าพุโทโธนั้นจะหายไปในเมื่อพุโทโธหายไปแล้วจิตของผูกกาวนานั้นน้อมเข้าไปสู่ลมหายใจเย็ดอารมหายใจเป็นเครื่องรู้อารมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติตามรู้ลมหายใจเข้าไปเรื่อย เพียงจะรู้อยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวเท่านั้นแล้วจิตก็จะค่อยสงบละเอียดลงไปทีละน้อยละน้อยจนกระทั่งผ่านอุปจาระสมาธิแล้วก็เข้าไปถึงอัปปนาสมาธิเมื่อจิต้าไปถึงจุดที่เรียกว่าอัปปนาสมาธินั้นขอทาความเข้าใจกับท่านผู้ปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งว่า จิตอยู่ในอัปปนาสมาธิจะมีลักษณะนิ่งนิ่งแล้วก็มีความสว่างเป็นเครื่องหมายสมาธิที่ถูกต้องและสมาธิที่แท้จริงนั้นย่อมมีความสว่างภายในจิตเป็นเครื่องหมายถ้าสมาธิอันใดเมือไม่มีความสว่าง สมาธิอ น, นันต์ทานเดียกว่าบโมหะสมาธิทีนี้ความสว่างของจิตนั้นเป็นสั ญ, ญลักษณ์ที่จะทำให้จิตมีสติสัมปชัญญะดีขึ้นและความรู้สึกของผู้ทำจิตให้ถึงขั้นอัปปนาสมาธิได้นั้นจะมีความรู้สึกอยู่ภายในจิตอย่างเดียว ความรู้สึกของจิตที่จะติดต่อกับโลกภายนอกไม่มีเพราะในขณะนั้นลมหายใจก็ได้หายขาดไปแล้วเมื่อลมหายใจหายขาดไปแล้วลมหายใจก็เป็นตายส่วนหนึ่งร่างกายที่เป็นตัวเป็นตนนี่ก็หายไป ในเมื่อตัวตนโดยสมมติบัญญัติคือกายหายไปแล้วลมหายใจก็หายไปแล้วตัวตนที่เรียกว่าอัตตากีปมีตนเป็นกบ อ, อัตตาสารามีตนเป็นที่พึ่งเคือจิตจะปรากฏเด่นชัดในเมื่อจิตปรากฏเด่นชัด ละความรู้สึกอยู่ภายในจิตยอย่างเด่นชัดนั่นแหละคือคำที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอาตาหิอตาตโนนาตุตนเป็นที่พึ่งของตนเมื่อใครทาจิตให้บรรลุถึงขั้นนี้ก็จะได้รู้สึกในทันทีว่าอาตาตัวตนที่เป็นที่พึ่งเป็นขอบ หรือมีตนเป็นที่เป็นสาารณะนั้นจะปรากฏอย่างเด่นชัดและในบางครั้งถ้าผู้มีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดรอบรู้หน่อยก็จะเกิดความรู้ขึ้นมาว่าแ ท, ท้จริงอัตตาตัวตนที่เป็นรูปร่างกายนั้นมันไม่ใช่ตัวตนอย่างแท้จริง ไม่ใช่ที่พึ่งพาอาศัยกันอย่างแท้จริงแต่แท้ทจริงตัวตนที่เป็นที่พึ่งที่อาศัยก็เคยจิดดวงจิตที่ปรากฏเต็นชัดจู่นั่นแหละจะเป็นตัวตนเป็นที่พึ่งที่อาศัยและอีกอย่างหน่งจะทำให้ผู้ภาวนานั้นรู้จักว่าอะไรคือตัวตน ตัวตนที่จะเป็นที่พึ่งแก่ตนจริงจังนั่นคืออะไรหลอกจากจะรู้ว่า ต, วตัวตนอันเป็นที่พึ่งของตัวเองอย่างแท้จริงคืออะไรแล้วย่อมจะสามารถรู้ว่าสภาพจิตเดิมแท้นั่นคืออะไรในขณะที่เรามีความรู้สึกอยู่อย่างนั้น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 ทีนี้ตามตาราที่ท่านกล่าวว่าเจิตอยู่ในสภาพของสมถะกรรมฐานนั้นย่อมไม่มีความรู้ที่จะปรากฏขึ้นในขณะนั้นอันนี้เป็นความจริงใครๆอย่าไปปฏิเสธมติอันนี้แต่ทีนี้เราอาจจะเกิดสติปัญญาขึ้นต่อเมื่อจิตของเราถอนจากสมาธิในขั้นนี้ออกมาแล้ว เราจะมีสติสัมปชัญญะตามรู้เมื่อจิตเกิดความคิดขึ้นมาโดยธรรมชาติของจิตแล้วจะไปสงบนิ่งอยู่อย่างนั้นตลอดกาลไม่ได้ถึงคราวถึงการถึงเวลาแล้วจิตก็ย่อมถอนออกมาจากสมาธิในเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิพอเกิดความรู้สึกขึ้นมา จิตก็จะมีความคิดเกิดขึ้นเจตจะคิดเรื่องอะไรก็ตามไม่สำคัญสำคัญอยู่ตรงที่ว่าสติตัวที่จะตามรู้ทันความคิด น, นั่นเป็นตัวการที่สำคัญถ้าหากพวกภาวนาไม่ดดนพคพลาดออกจากการปฏิบัติสมาธิ ใช้เวลาตามกําหนดรู้ความคิดของตนเองไปความคิดอันนั้นจะกลายเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติในเมื่อจิตมีความคิดจิตก็มีเครื่องรู้ในเมื่อจิตมีเครื่องรู้สติก็มีเครื่องระลึกถ้าหากว่าจิตตามรู้ทัน หรือสติตามพู้วันความคิดเมื่อร่ความคิดอันนั้นจะกลายเป็นภูม่มความรู้กลายเป็นภูมิปัญญาของผู้ปฏิบัติแต่ถ้าผู้นั้นไม่หลงความคิดของตัวเองถ้าหากสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าแม้จิตจะเกิดความรู้ความคิดอะไรขึ้นมาก็ตาม ความรู้เลยความคิดอันนั้นจะกลายเป็นภูมิปัญญาของจิตจิตอาจจะคิดเรื่องดีก็ได้อาจจะคิดเรื่องทั่วก็ได้แต่สำคัญอยู่ที่ตัวสติรู้เท่าทันความคิดอันนั้นเมื่อคิดขึ้นมาแล้วจิตไม่มีความยิดเมื่อจิตไม่มีความยึดกับความคิดของตัวเอง ปฏิกิริยาที่จะพึงให้เกิดความยินดียินไา ย, ย่อมไม่มีเป็นแต่เพียงกิริยาสักว่าคิดคิดแล้วก็ปล่อยวางไปเมื่อเป็นเช่นนั้นสติตัวผู้รู้มันก็จะตามทันความคิดของตัวเองตลอดไปถ้ายิ่งตามกำหนดโูภความคิดนี้ถ้าสติกถ้าสติตามทันความคิด ความคิดอันนี้มันยิ่งจะเกิดมากขึ้นเพราะยิ่งต้องดูยิ่งตามรู้ตามเห็นยิ่งตามทันเท่าไหร่ความคิดมันก็จะเกิดขึ้นมากขึ้นเท่านั้นบางทีมันอาจจะคิดขึ้นมาอย่างที่เราไม่สามารถจะกำหนดทันถ้าสติอ่อนเมื่อไหร่กำหนดตามรู้ความคิดไม่ทัน จิตให้หลงยึดถือสิ่งนั้นๆเข้ามันก็เกิดเป็นตัวกิเลสถ้ายินดีก็เป็นตามมัตันหาถ้าติดก็เป็นภวะตันหาถ้าหากว่ายินร้ายก็เป็นวิภวะตันหาถ้าจิตคิดแล้วมีสภาพปกติมีแต่ความเป็นปกติเป็นหนึ่งไม่ยึดไม่หลง ไม่เกิดความยินดีไม่เกิดความยินได้นั่นแหละคืออาบานกับกินอีกยงอยู่ความคิดที่เรายังไม่มีสมาธิที่เรายังไม่มีสติสมัมปชัญญะรู้เท่าทันความคิดความคิดอันนั้นมันสามารถที่จะเอาจิตของเราไปบทยี้ให้เกิดความสุขให้เกิดความทุกข์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 สามารถที่จะรู้ทันความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นภายในจิตได้และจะสามารถประคับประคองจิตให้ดำเนินไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมได้เมื่อจิตรู้เท่าทันอารมณ์คือความคิดที่เกิดขึ้นในจิตมันก็กลายเป็นตัวสติปัญญา ปัญญานี่จะว่ากันตามความเข้าใจโดยทั่วไปปัญญาที่เราใช้สัญญาณแล้วมาน้อมแลคิดพิจรารณาธรรมะตามที่เราเข้าใจโดยความตั้งใจอันนี้มันเป็นสติปัญญาธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าปัญญาที่เกิดจากสมาธิ อันนั้นมันเป็นสมาธิปัญญาแต่เราจำเป็นจะต้องอาศัยปัญญาในขั้นจินตามยะปัญญาโดยโสตปัญญาที่เกิดจากการคิดในการฟังแล้วก็นำน้อมนําไปพินิจพิจารณาตามหลักการเช่นเราจะพิจารณาพระไตรลักษณ์ว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงเป็นภูมเป็นอนัตตา เราใช้สติปัญญาอย่างธรรมดาธรรมดาคนคิดพิจารณาไปตามสําหรับที่เราเรียนรู้มาและพร้อมๆกันนั้นก็พยายามทําจิตให้เป็นสมาธิไปด้วยเมื่อจิตสงบลงไปเป็นสมาธิเมื่อไรเมื่อนั้นปัญญาที่เกิดจากความคิดปัญญาที่เกิดจากการฟัง มันก็จะเป็นคุณธรรมอุดหนุนให้เกิดปัญญาในขั้นสมาธิปัญญาหรือภาวนามยะปัญญาปัญญาตามสัญญาหรือความทรงจำเป็นอุปกรณ์ให้เกิดสติปัญญาในขั้นสมาธิภาวนาเป็นสิ่งที่อาศัยซึ่งกันและกันเพราะการบริกรรมภาวนาก็ดี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 แต่ถ้าปัญญาแต่ถ้าสมาธิที่เราได้ผ่านการพิจารณาอะไรมาแล้วเมื่อิจสงบตั้งมั่นลงเป็นสมาธิจะทำให้เกิดมีปัญญาในสมาธิขึ้นมาเพราะอาศัยปัญญาความรู้ในทางที่เราทรงจำมาด้วยสัญญานั้นเป็นคุณธรรมเพื่อคุณอุดหนุนกันไปในข้อสังเกต ในการที่เราจะเพง่มทำความเข้าใจในขณะที่บำเพ็ญภาวนาและถ้าหากว่าจิตของเราได้ผ่านการพิจารณาอะไรมาแล้วเมื่อจิตสงบลงไปในขั้นอุปจารสมาธิถ้าเกิดสติปัญญาความรู้ขึ้นมาเองสติปัญญปปัญญาความรู้อันนั้น ยังจะมีสมมติปัญญัติอยู่เมื่อจิตรู้อะไรขึ้นมายังจะเรียกชื่อสิ่งที่รู้นั้นว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าจิตสงบละเอียดลงไปกันจริงๆแล้วจะใช้คำว่าจิตอยู่ในระดับของอัปปนาสมาธิ ก็สุดแท้แต่ผู้ฟังจะเข้าใจแต่ะสบระการบางครั้งที่มันเกิดขึ้นนั้นจิตอยู่ในลักษณะที่สงบนิ่งสว่างมีความสว่างสวยัยแต่ก็หากมีสิ่งซึ่งผ่าน้ามาเป็นเครื่องลูกของจิตเป็นเครื่องระลึก ข, ของสติอยู่ตลอดเวลา แต่สิ่งที่รู้ที่ปรากฏขึ้นมานั้นจิตไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่าจะเรียกสิ่งนั้นว่าเป็นอะไรมีแต่สิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือลักษณะของภูมิจิตที่สงบอย่างละเอียดแล้วเกิดภูมิความรู้ขึ้นมาเข้าใจว่า สัจธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตนั้นย่อมอยู่เหนือสมมติบัญญัติแม้ในขณะนั้นจิตตัวผู้รู้เขาก็จะไม่สมมติเรียกตัวเขาเองว่าจิตตัวผู้รู้แมแต่สิ่งที่รู้ที่ปรากฏอยู่นั้นจิตก็ไม่เรียกว่าอะไรเข้าใจว่าภูมิความรู้ในขั้นนี้อยู่ในขั้นที่อยู่เหนือสมมติบัญญัติ ของจริงที่ปรากดเส้นกับจิตของผู้ภาวนานั้นจะต้องอยู่เหนือสมมติบัญญัติเสมอถ้าสิ่งใดที่ยังมีสมมติบัญญัติอยู่สิ่งนั้นก็ยังไม่ใช่ความจริงยังไม่ใช่สัจธรรมอันนี้ขอฝากให้สมาคมนี้นำไปเป็นนิพพิจารณา ว่าจะมีความเข้าใจและมีความเห็นอย่างไรสำหรับการกล่าวธรรมะการเป็นคติเตือนใจของท่านนักศึกษาและนักปฏิบัติทั้งหลายก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาละเวลาจึงขอยุติลงด้วยประกา ะ, ะนี้ <c oughs> เราะฉะนั้นในโอกาสนี้ขอให้ทุกท่านจงตั้งใจทำสมาธิการทำสมาธินั้น ขอให้ทุกท่านจงทำความได้เข้าใจว่าสมาธิเป็นกิริยาของจิตส่วนการนั่งก็ดีการยืนก็ดีการเดินก็ดีการนอนก็ดีอันนั้นเป็นแต่เพียงการเปลี่ยนอิริยามบทประกอบนั่งกาหนดจิตมริกรรมภาวนา หรือพิจารณาอะไรก็ตามเรียกว่านั่งสมาธิถ้าการกำหนดจิตรหรือบริกรรมภาวนาพิจารณาอะไรใ น, น, ร น, าานรท่นายันเดินเรียกว่าเดินจงกรมถ้ากำหนดจิตพิจารณาหรือบริกรรมภาวนาในท่ายืนเรียกว่ายืนในเรียกว่าเดินอันเรียกว่ายืนสมาธิยืนทำสมาธิ นอนเสียห า, ายะกำหนด จ, จิตบริกรรมภาวนาหรือพิจรารณาก็เรียกว่านอนทำสมาธิการทำสมาธิในท่านั่งท่ายืนท่าเดินท่านอนใช้กิริยาการกำหนด จ, จิตบริกรมรมภาวนาหรือพิจารณาอย่างเดียวกันหมด อันนั้นเป็นแต่เพียงเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อให้ร่างกายมีความสบายพอสมควรเท่านั้นเองเพองานตามปฏิบัติสมาธิอย่าไปติดวิธีการถ้าจะติดก็ให้ติดวิธีการกำหนดจิตหรือการบริกรรมภาวนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริกรรมภาวนานี่ <c oughs> เป็นอบายที่ทําจิตให้จิตอยู่กับสิ่งสิ่งหนึ่งในเบื้องต้นก่อนเพื่อจิตจะได้พลาดจากความคิดที่วุ่นวายกับเรื่องอื่นๆแล้วมารวมอยู่กับสิ่งสิ่งเดียวคือบริกรรมภาวนานั้นเราจะได้ทดสอบว่า จิตของเราอยู่กับบริกรรมภาวนา น, นั่นหรือเปล่าเราก็เป็นอุปายที่จะทำให้จิตมีสมาธิดังนั้น <c oughs> นโอกาสต่อไปนี้ขอทุกท่านไปโปรดกำหนดจิต ท, ทำสมาธิตามแบบทรัม <c oughs> ที่ตนเคยฝึกหัดชำนิทํานาญมาแล้วจะเป็นแบบใดก็ตามสมาธิแต่ละแบบประแบบนั้นความมุ่งหมายก็อยู่ตรงที่ว่าทําจิตให้เป็นสมาธิให้มีสติปัญญารู้จริงเห็นจริงในสภาวะธรรมแล้วก็เป็นอุบายให้จิตปล่อยวางในความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆ ไม่ให้เกิดมีอาการของกิเลสขึ้นนี่หรือให้หมดกิเลสเป็นที่สุดอันนี้คือจุดมุ่งหมายเพราะฉะนั้นต่อ น, นี้ไปขอทุกทุกท่านจงทำสมาธิและอาตมาผู้พูดก็จะทำสมาธิเช่นเดียวกัน